อาลัยอุบิลลาฮิมินัสَัยตันอัลไรฮิมอ้าวุบิลรฮิมวะดัลลอบิลลาห์ลุวะด e قالقنا من ن طفه فإذا هو خصيم مبين فإذا هو خصيم مبين بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده ال الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هليله وشر ولا إ َ ه إلا الله َ د ل َ شريك له و ل ل له. إ له إ و محمدا عبده ورسوله اللهم بك أصبحنا وبك أمزينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور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 ر ับบี عوذ ุบิค์มิ ن งอาดั ا ิมฟิน ب าร์ว ا าดับิมฟิ ا ف ن ي ف ي ا ل ลลัฮุ์ม اللهم ع ีฟีเ ف เ ي นีว่าฟินีฟีสัมั ا ว่ م ฟินี و ีบัซร์อัลลัฮุ์ม ا ل า ه ัตุร์ส ل สเม و ท์ร์ส์อัล ا อฮ ا รู้ทั ا งกา ا عوذ ุ ك ิค์มิ่งช ว ش าชั่ริ ا ن و و านิว่าชั่รَกีวันอัคตาริฟَ ل َนับซีซูอันอว่าจุร أَوْ أ َ ج ล ر َิลลอ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وع و على كل شيء قدير ر ب ّ أسألك خير ما في هذا اليوم دخير ر ب ّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربّي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله و ه พี่น้องที่ร่วมน้พระสุบคะที่บ้านของ Allah นะครับที่มัสยิดอันวาดิสุนาที่รักทั้งหลายและพี่น้องข้ามดิลเลาะพี่น้องเราต้องนึกถึง Allah นะเราเป็นคนที่มีเจ้าของเราเป็นคนที่มีเจ้าของเจ้าของเราก็คือ a l ن ه ะอ เราต้องโยงกับเจ้าของที่โยงกับเจ้าของเนี่ยเรียกว่าคนนั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์การโยงกับอัลลอฮ์เนี่ยมาถึงเอาหัวใจของเราเนั้นนึกถึง Allah. อัลลอฮ์อ่านคุรานี่คือเป็นการโยงกับอัลลอฮ์นบีนี่สอนเราบอกว่าคนที่อา่านคุรานี่ย ปลายเชือกอยู่ที่กุรอานนี่เป็นไฮดนี่นะปลายเชือกเนี่ยอยู่ที่อัลกุรอานแล้วก็ต้นเชือกหัวเชือกในะใครถืออัลลอฮ์ถืออยู่ยห็นยังครับนี่นะถ้าเรื่องอย่างนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่บอกกับนบีเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงจะกล้าพูดหรอนี่เราไม่กล้าพูดนี่ท่านนาบีพูดเองอะ่ะคนที่นั่งอ่านกุรอานจะเป็นที่บ้านหรือที่มัสยิดก็ตาม เขาถือเชือกเส้นเดียวกันกับอัลลอ์อัลลอ์ถือหัวเชือกต้นเชือกเราเนี่ถือผมก็นั่งสรุปนะชีวิตของคนกาเฟชชีวิตของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่เหมือนกันห่างกันอย่างกับชันฟากับเหวนะห่างกันลิบเลยเป็นองชีวิตต่างกันเยอะเอาชีวิตหลังตายก่อนนะ นี่เล่าหลังตายนะชีวิตของคนกาเ ฟ, ฟ่ชีวิตของคนศรัทธาต่ออลัลลอฮ์เนี่ยตอนมาลายิกามาเอาวิญญาณเนี่ยต่างกันไม่เหมือนกันเรื่องทั้งหมดเหล่านี้นบีเล่าให้เราฟังและผู้นานก็อธิบายด้วยนบีก็มาอธิบายต่อเพื่อเข้าใจง่ายๆทั้งหมดเท่าที่ผมเช็คได้นะมุสมินก็มีอยู่แดขั้นตอน คนกาเฟตคนมุชริกคนมูนาฟิกคนที่แอนตี้อิสลามก็มีอยู่แปดขั้นตอนเท่าที่เช็คได้ตอนนี้นะเอาคนมุชลิม ก, ก่อนคนกาเฟตก่อนคนยิูดีนสรรอสโรณีทั้งหมดเรานี่อยู่ในกลุ่มเดียวกันคนที่ตกมุดตัดไปแล้วก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีอยู่แปดขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งนะครับมล า, ายกิกานี่นะครูตอนจะมาเอาวิญ ญ, ญาณมาคูมาครูยังไงนะ ถ้าวิญญาณออกจากร่างเมื่อไหร่นะยัคติบูนาวูฮะฮุมวาอาดบาโรหุมจะจะตบตบหน้าที่ไหนใบหน้าแล้วก็ที่กลางหลังของวิญญาณในเรื่องที่หนึ่งนะครับถามว่าเมื่อมาเลยก์กามาขูแบบนี้เนะี่ยวิญญาณอยากออกหรือไม่อยากออกไม่อยากออกนี่เรื่องที่หนึ่ง เรื่องที่สองเมื่อออกมาแล้วเนี่ยก็ถูกปีนะพอเอาร่างเนี่ยใส่ลงคนกาเฟ ก, ก็จะพูดว่าอิลาไอนาะยาฮาบูนาบิฮาจะพาฉันไปไหนจะพาร่างนี่ไปไหนพูดด้วยความกลัวครับแล้วก็เสียงนี่ดังมากครับคนที่แบก ศพเนี่ยได้ยินไม่ไม่ได้ยินยินมนุษย์ไม่ได้ยินแต่อะไรได้ยินสรรพสิส่งรอบรอบเนี่ยได้ยินหมดเลยของที่ไม่มีไม่มีสมองไม่มีวิญญาณ ไ, ไม่มีสมองสติปัญญาได้ยินหมด เ, เรื่องที่สมนะครับเวลาเอาไปฝังเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมลัยก้ามามาสอบที่ครูโบถามว่ามัดรอบบุกะใครเป็นพระผู้อวิบาลของท่าน ใครเป็นนบีของท่านอีหมางของท่านคือใครคนกาเฟตตอบได้หรือตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ครับเราจะพูดว่าไงลาอัเดรีฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ ม, รมาริกาก็ถามตอบไปอีกว่าทำไมคุณไม่เรียนทำไมคุณไม่เรียนทำไมไม่หาความรู้เห็นยังครับ ไปถามเรื่องความรู้ในครูโบโด้วยต่อมาครับข้อที่ห้าระวังที่นอนอยู่ในสุสานเนี่ยจะเป็นที่ไหนก็ตามนะครับในโลกใบนี้จะพูดว่าอย่างนี้ลาตติมิซาวันเกียรมาอย่าเกิดเลยตอนอยู่บนดุยานี่ไม่เชื่อวันเกียรมาว่ามีใช่ไหม กูสิ่งทุกอย่างตายแล้วก็จบแต่ที่ไหนได้พอตายแปลเนี่ยเห็นหมดเลยอะวันกิยาม่ามีจริงนี่จะพูดไงลาตากิมิสตาอยาให้วันกิยามามีเลยเพราะเห็นเห็นว่าถ้ากิยาม่ามามอไหรนะฉันฟื้นขึ้นมาไรนะเจอหนักกว่านอนอยู่ในกูโบต่อมาข้อที่หกคนกาเฟ่กับคนมุชริกจะพูดแบบนี้บ่อยๆเลย พูดทุกวันเลยวันนั้นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งรูบามายวัดดุลลาดีนักบารูเลูกะโนมุสลิมีบ่อยครั้งเหลือเกินคนกาเฟ่หรือคนมุสริกเนี่ยพูดว่าถ้าฉันได้เป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีรอพีลล่น้องเห็นยังครับนี่ชีวิตหลังตายทั้งหมดนี่นะซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อแต่เอาล้อเล่านะคับพีกุณอ่าน ต่อมาข้อที่เจ็ดยูอาเซยบูนะฟีกุบูริหมระหว่างที่นอนอยู่ในสุสานนั้นถูกลงโทษทุกวันถูกลงโทษทุกวันแล้วก็ข้อที่แปดลงโทดแล้วไปเพวกเขาเห็นเห็นนะเห็นว่าที่อยู่ของเขาที่อยู่ในนรกเเป็นยังไงเห็นทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, วนถูกลงโทษยังไงถูกทรมานยังไง แค่เห็นหนังตัวเองอยู่ในนรกอ่ะยาวหนาตั้งกับกรุงเทพเชียงใหมนะ่น่ะใช้เวลาเดินนลยนะหนังหนาขนาด น, นั้นน่ะนี่ข้อที่7จนี่ข้อที่แปดพี่ท้องครับถามว่าเมื่อเห็นการลงโทษนี่ฝันนะฝันเห็นนะถามว่าอยากมีวันเกียรมไหมไหมล่ะไม่อยากให้มีวันเกียร์ไหมอย่างนี้มีตนนี่คนกลายเป็นอมตะผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ก่อนตายเขาเรียนาศาสนาก็เข้าใจอลัลกุรอานเข้าใจสุ น, นัขนบีเชื่ออิมานหกข้อและปฏิบัติหลักการอิสลามอีกหข้อเนี่ยตอนตายนะครับมลอิกามามาเชิญวิญญาณออกจากร่างว่ารรลาตะขอฟูวะลาตะฮจนูวะอับชิรูบิลจันนิละทีคุณตุมตูอัดูนะกรูอ่านทั้งหมดเลยเชิญวิญญาณออก แล้วก็ปลอบใจว่าคุณไม่ต้องไปกลัวในกรูโบไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเรื่องข้างหลังมีครอบครัวมีบริษัทมีออฟฟิศมีลูก ม, ม, มีเมียไว้แล้วจะต้องจากไปใช่ไหมไม่ต้องห่วงเรื่องข้างหลังแล้วก็คุณได้อยู่ในสวรรค์ถ้าปลอบใจแบบนี้อยากออกไหมวิญญาณอยากออกอคัมบิลิเลเรื่องที่สอง พอวิญญาณออกจากร่างเสร็จแล้วในมันต้องห่วงอธิบายยาไปหมดเรื่องที่สองตอนจับใส่โลเนะ่ะก ด, ดิโมนีรีบพาฉันไปไวๆเรื่องที่สามอัลลอฮ์อยู่ในกูบกูบริการมาตอบมาถามนู้นถามนี่ถามว่ า, มมาตอบได้ไหมตอบได้ตอบว่าไงอัลลอฮุรอม บ, บีมุฮัมมัดนบีวัลกุรอานอิมามี มันเลยขาถามว่ารู้มาได้ยังไงก็รัตุลกูรานฉันอ่านคำจากคำพีอัลกูรานแล้วก็เชื่อนบีมุฮัมมัดที่สอนเอาไว้สบายใจมั้เพื่น้องนอนดูในกูโบลแล้วต่อมาจะพูดว่าเอก็กคอทีห้อาอักิมิสราอยากให้มีวันกิยมะไวไวฉันจะได้ไปรับรางวัลของฉันที่ฉันเห็นแล้ววันนี้ฉนนันได้นั้นได้นี่ได้นี้ได้นั้ น, นอยากจะ โอ้โห oh, เป็นเป็นเป็นเจ้าของอัละัมนีละข้อที่หกพี่น้องที่อ่า น, นสุรยาดีเนี่ยนะยดลายตะกาวมียาลมูนบิมากรฟารีรบบีว่าจะเนีมินัลมุครรเมนที่คนที่มาจากต่างจังหวัดนะ่ะที่เข้ามาหามาเตือนคนที่กำลังจะมาทำงานศาสนาและพี่น้องเขาเนี่ยด่าเขาว่าเขา พอคนนี้มามา พ, พูดเรื่องนี้จับฆ่าเลยไนงะพอฆ่าเสร็จแล้วนะ่ะวิญญาณไปไหนไปอยู่ในสวรรค์ก็มาพูดแล้วว่าอย่าไลตะเกามียะละมุนถ้าพี่น้องของฉันรู้ก็จะดีว่าฉันเนี่ยอยู่ในสวรรค์แล้วนะคุณน่ะจับฉันฆ่าพอฉันฆ่าแล้วนกจะไปนรกหรือฉันไปสวรรค์บีมาว่าฟารีโรบบีอัลลอฮ์เนี่อยอภัยโทษฉันหมดแล้ว ว่าจะอะไรนี้แลว้วก็ยกย่องให้เกียรติฉันอันยิ่งใหญ่อยู่ในกุโบอยากจะเล่าให้ญาติพี่น้องที่ยังไม่ตายฟังที่ด่าฉันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงี้อยากจะบอกเราไม่ต้องบอกนบีมัดมาสอนแล้วเรื่องอย่างนี้ท่านไม่จำเป็นต้องฟื้นขึ้นมามาบอกไม่จำเป็นข้อที่เจนะครับลายุองรับบูนฟิลกับรี ขณะที่นอนอยู่ในสุสานนั้นไม่มีการลงโทษใดๆทั้งสิน้นตอบคาถามได้อะไรเป็นเหตุทําให้ตอบคําถามได้อีมานวาละอามลุซอลยครอีมานและอามันจิซอละสองอย่างนี้ตอบคาถามในกูโบกับมาเลย์กาได้แบบสง่างามข้อสุดท้ายข้อที่แปดเขาเห็นสวรรค์และที่อยู่ในสวรรค์วันละสองครั้งนะตอนเช้ากับตอนเย็น คนกาเฟก็เหมือนกันเห็นนรกวันละสองครั้งนะตะวันขึ้นทีก็ถูกทีเทวันตกตกทีก็ถูกทีพี่น้องเมื่อเล่าอย่างนี้แล้วเนี่ยเป็นมุมินดีกว่าอยู่กับอัลลอฮ์ดีกว่าหันมาเรียนศาสนาเธอพี่น้องและเป็นห่วงลูกเปี่ยวนภรรยาญาติพี่น้องเราที่มีความสามารถจะห่วงได้ห่วงเลยแล้วก็เชิญชวนเขา นะครับท่านคือต้องการจะอธิบายเรื่องคนกาเฟตหลังตายกับคนมุมินหลังตายชีวิตเป็นยังไงเรื่องนี้มองด้วยสายตาไม่เห็นแต่ต้องเชื่ออัลกุรอานแล้วก็ความรู้ที่ผ่านท่านนบีมฮุฮัมมัดสุลตาเอาวันนี้มาเจออายะห์ที่72วะดัลลัลนาฮะเลหุม فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون อัล l อฮฺอับดุลฮะมดีลลอัยนี่้องการจะอธิบายให้นบีฟังให้นบีมาสอนพวกเราอมุมาของนบีทุกนจนกว่าจะถึงวันตียมานะ สุรยาซีเนี่ยอธิบายยางไงครับว่ลาลันลันาแปลว่าเราได้ทำให้สัตว์อยู่ใต้อำนาจของพวกเขาเราได้ทำให้สัตว์ก็เอ่ยชื่อด้วยนะสัตว์นี่นะในตับศีลอธิบายวันหนึ่งอูสองหัวสมควายจริงควายได้ไม่มีนะในทับศีลอธิบายควายไม่มีนะ แต่เราอยู่กับคนไทยใช่ไหมเอชเชียนี่ควายหมดเลยใช่ไหมเอาควายใส่ไปหนึ่งอูดสองวัวสามควายสี่แพะห้าแกะและสิ่งเหล่านี้ทำกุญบานได้ด้วยแล้วก็สัตว์ประเภทอื่นอีกแสนแสน ล, ลา้านล่านอัะเาล่อไม่ได้เอ้ยน ะ, อ, ะอย่างจระเข้แล้วก็เสือสิงโตช้างเยอะแ ย, ะ, ยะไปหมดเลยเอาล่อไม่ได้เอ้ยนะ เออเฉพาะห้าหกรายการเพื่อให้เราได้ใช้ปัญญาสัตว์ทั้งหมดที่เออนั่นอยู่ใต้าการปกครองของมนุษย์ได้ด้วยนี่อลัลลอฮฺจัดให้ตหามไม่ใช่มาเองเอลัลลอฮฺจัดให้สัตว์แล้วสัตว์พวกนี้น่ะมันเชื่องด้วยมันอามาเลี้ยงให้ยงให้ยาให้น้ําเนี่ยแต่เราเคยเลี้ยงควายมาก่อนใช่ไหมเรารู้เราเข้าใจง่ายอะ่ะจะเสือสิงโตเลี้ยงได้ที่ไหน เอามาเป็นเจ้าขอบโหลำบากต้องใส่กงอะ่ะเหนื่อยไม่เหนื่อยก็นึกถึงอะไรเนี่ยจระเข้ี่อยู่ตรงนี้ปากน้ำเนี่ยเพราะนั้นคนที่เลี้ยงจระเข้เอาหัวใส่ไปในปากอะไรากจระเข้ก็ตอวมัก็ตายไม่เห็นเนี่ะมั น, มนคืออรอบเศ้าเล่าแล้วแต่มาได้บังคับให้ใช้ปัญญาตัวเองสัตว์อะไรบ้างที่ควรที่จะเอามาแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับตัวเราก็ไม่อยู่ห้าชนิดหนึ่งอู สองวัวสามควายสี่แพะห้าแกะและสิ่งเหล่านี้น่ะเชื่อทำคุญบาทได้ด้วยเอาต่อมาครับฟามินฮารรกูบุหมฉะนั้นฟามินฮาแต่ว่าสัตว์บางชนิดรอกูบุนมาจากขี่รรกีบ้าไปว่าขี่สัตว์เหล่านี้นเอามาขี่ได้ไหมได้ อย่างนั้นกระเพื่อกูอานอธิบายเรื่องขี่ก็คืออะไรนะม้าเอามาขี่ได้เลยสัตว์บางชนิดนะไม่ใช่ทุกชนิดนะบางชนิดนั้นเอามาขี่ได้ต้องขอบคุณเลออาเนี่ยเราจะให้ทั้งหมดอ๋ออาควาตเอาต่อมายิ่งใส่จมูกนะใส่จมูกแล้วเชือกผูกก็จูงก็ง่ายอะ่ะเด็กก็จูงก็ได้อะไรก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย ท่านมูมินจะอยู่ตรงไหนก็าตามสามารถโยงกบบลับมาล่อได้ทุกรายการในชีวิตเราต่อมาครับวามินฮาเยกูลูนบางชนิดของพวกสัตว์ของพวกมันก็กินเป็นอาหารได้ด้วยอัลฮัมดุลิเลเห็นอย่างครับอูตกินได้วัวกินได้เห็นไหมแล้วก็ควายกินได้ด้วยแต่ว่าเนื้อควายกับสู้เนื้อวัวไม่ได้เลยนะความอร่อยท่านนะ แล้วก็แพะกินได้เพราะนบีชอบอาหารแพะโอ้ยอ่อาหารแพะอร่อยจริงๆแล้วก็แกะเนี่ยติดถึงนบีอะไรนบีอิบราฮิมที่เชืิดนบีอิสมาอินโยมให้หมดอัลลอฮฺอัลบัดดิลีเป็นต้นอีกนอายะอื่นกูอ่านอธิบายกูอ่านสุร้อนน้หรืออายะที่ห้าวันอาณาไม่ขอแล้วก็เด็กมีเด็ก อูวมานาฟิอวมินฮาตะกูลูนและระสุสัตเช่นอูดวัวควายแพะแกะอัลลอฮ์ทรงสร้างมันในตัวของมันนั้นมีเครื่องทำความอบอุ่นรู้ได้ไงอัลลอฮ์เล่าใ้ฟังอ่ะอ้าวแพะแกะวัวควายพวกนี้น่ะ สามารถทำความอบอุ่นอธิบายงาตรงอาศัยตับเสีมุลมะเอาขนของมันมาทำเป็นเสื้อผ้าผ้าหม่มได้เลยที่นงที่โนนแล้วรอชีนามันกับเียรุอ่านเอาไว้แล้วแล้วก็ดิฟบุนวามานาฟะและมีประโยชน์ด้านอื่นๆอีกเอามาขี่ก็ได้อะไรก็ได้อัลลอฮอักบัรโอ้ต่อมาว่ามินฮาตะกูลูและจากสัตว์บางชนิดนี่แหละ สามารถนำเอามาเป็นอาหารบริโภคได้เอามาทำบุญได้ด้วยอัลลอฮฺอัลอย่ยงนเงี้ยูุอานในชี้นำเราขั้นที่กุณอานนที่เราย่อเป็นอาจิมัดแขวนคอนะั้นเลิกได้แล้วอ่ะมันไม่ใช่เป้า ห, หมายเราะนั้นเป้า ห, หมายคือให้ผู้ศรัทธาต่อรองมนุษย์ได้ใช้ปัญญาได้ขอบคุณอัลลอฮให้มากขึ้นนะครับเอาต่อมาครับ เราไม่ได้กราบสัตว์เราไม่ได้กราบสัตว์แต่เอาลอให้เอาให้เรานำสัตว์เนี่ยมาเป็นประโยชน์เพื่อเราจะได้คิดถึงใครคิดถึงววอัลลอฮ์ซุบฮานูวะตาเอาพอพูดถึงเรื่องกราบสัตว์ในโลกนี้คนที่กราบสัตว์มีไหมล่ะผมอยู่อินเดียมาบังรู้สิฮินดูนี่กราบสัตว์นะกคาบัวนะและยังไม่พอกราบอะไรอีกกราบแม่น้าคงคากงกากงกา ในภาษาเดิมมา น, น, นะโงงกะแต่คนไทยพูดคงคาก็าไม่ว่ากันเป็นที่เข้าใจนะน ะ, น ะ, ดดนะถาาว่ากราบสัตว์เนี่ยผิดหรือไม่ผิดชี้ลิขิตเราอย่างแรงเลยแล ال ال ้วเลาอภัยโทษไห้ไหมไม่อภัยโทษให้แต่บนดุนยาเองเอาไปเอาไปเลยเอัลลอฮ์เอาคนที่กราบสัตว์แล้วก็ไม่เอาเอัลลอฮ์ ถามว่าคนฮินดูในอินเดียน่ยเล่นงานเป็นว่ามุสลิมเปล่าแน่นอนครับทั้งเผาบ้านมุสลิมทําลายมัสยิดบาบารีเอาคุยเรืววาา่องบตัวซาตะบ้างเล็กๆน้อยๆทาลายมุสลิมมาตลอดนะ่ะแต่ทำไมอัลลอฮ์ยังให้คนฮินดูเนี่ยมันพินาศใช่ไหมลนะ่ะแต่อลัลลอฮ์ยังให้รู้มาให้อะไรให้อีกห้าอย่างนบนดุนยานี่ยนะ อัลลอ์ให้คนที่ไม่เอาอัลลอ์ที่แอ t i ีอิสลามดูถูกอัลลอฮ์เหยียดหยามสุนนะนบีศรัทธาไม่ศรัทธาต่ออัลลอ์ไม่ศรัทธาต่อวันอัลลอฮ์ให้ห้าอย่างบนดุลยานี้ข้อที่หนึ่งอัลลอ์จะเพิ่มความทรยศ์ในหัวใจของเขาเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับเพิ่มความทรยศนะ์นเรื่องที่สองอัลลอ์จะลงโทษพวกเขาเหล่านั้นแต่ไม่รู้สึกตัว อาาบเพิ่มขึ้นการลงโทษทรมานจะเพิ่มขึ้นเรื่องที่สามฟล่าหมายถึงความเฉยเมยการต่อต้านอิสลามในใจของเขาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยรู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัวฉันทำนี่แจวเลยอ่ะฉันฆ่าคนนั่นได้ด้วยฉันฆ่าสุดามบุเซตโอ้โหฉันนี่สง่างามจริงๆล้วฆ่าใครอีกที่ลิเบียโมมัลกาฟี่โอ้โหสงา ง, างามจริงๆ แต่คนที่วางแผนฆ่าเนี่ยเอาลลอบมันทึกหมดแล้วมันทึกภาพมันทึกเสียงท่าวิธีบันทึกไว้หมดนะ่ะจะชาชาอัลลอบเจะเฉาเฉแฉต่อไหนหลังตาเห็นหมดเลยเอาต่อมาครับข้อที่สี่พี่น้องครับเอาล็อจะรีบให้รางวัลกับคนที่แอนตี lam, ้อิสลามรางวัลของเขาที่จะได้นะได้บนดุนยาใบนี้หมดเลยเช่นอะไรบ้างเอาเงินไปเอาชื่อเสียงไป เอาตำแหน่งไปโอ้โหเอาทว่วไปเองหาความสุขความสำราญบนโลกดุญญนยาใบนี้ชั่วคราวนะโลกใบนี้ใบเดียวนะข้อที่ห้าวะไลซลฮุมฟิลอาครติอิลลัลอาพอตายไปแล้วชีวิตของคุณในโลกอาคีรอไม่ได้รางวัลแม้แต่นิดเดียวอยู่ในนรกตลอดใจเนี่ยเราเล่าให้นบีฟังให้นบีมาสอนพวกเรากันนี้ ฉะนั้นคนกาเฟที่อยู่บนดุนยาใบนี้นะอัลลอ์ให้เขาอยู่แบบหลงนะไม่จะอยู่แล้วสง่างามนะกุรอานอธิบายต่อไปอีกนบีพูดอย่างนี้อิาราหอัลลอฮ์เมื่อท่านเห็นอัลลอ์เนี่ยอยู่เอ ด, ดุนยาให้ดุนยาให้เงินให้ชื่อเสียงให้ตำแหน่งให้เกียรติยศกับคนที่ทรยศต่ออัลลอ์อะลามายุฮิบุเวลาอัลล์ให้เนี่ยทุกคนแฮปปี้หมดเลยนะ ได้รถมาห้าคันในบ้านบ้านหลังใหญ่ๆเป็นพระราชวังโอ้โแฮปปี้มั่น่มีเมียมาต้องแต่งด้วยเรียกใครมาก็ได้สาวด้วยสวยด้วยเขาชอบใช่มากเอาล้อให้หมดเลยครับฟาอินนะมาฮูะอิสติดรที่นบีพูดเองนะของที่เขาได้รับนั้นเป็นความสุขชั่วคราวนั้นเป็นการทำให้เขาค่อยๆพบกับความหายนะในบ้านปาชีวิต ตัว้ว่าบ้านปราชีวิตของคนเหล่านี้นะอันตรายหมดเลยเลาก็อ่านคุณอ่านให้ฟังฟะลมานาูมารูบิฮิฟตังนาอลไลฮิมอบวาบุลลชฮัตตาอิฟะริฮูบิมาอูตอนาฮุมบกตันฟอิฮุมมุบลิซูนสรุปใครที่ลืมอัลล เดีนะใครที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ลืมอัลลอฮ์ลื ม, ลมนบีมุฮัมมัดดานบีมุฮัมมัดโหปฏิเสธนบีมุฮัมมัอะไรก็ตามแต่ดา่ากุนอ่านด้วยอัลลอฮ์จะเปิดประตูแห่งความสุขความสําราญชั่วคราวบนโลกดุจยาใบนี้เอาไปเลยสบายใจไหมก <laughs> ุนอ่านอธิบายให้ฟังไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยิ่งให้อ่ะ คุณพอใจอะไรออาไปเลย stage, ออาไปเลยออาไปเลยออาไปเลยไปน้องฮัตตาอิซาฟาริหูเวลากระทั่งเขาดีใจเพลิดเพลินกับเนย้มัดที่อัลลอ์ให้มาผู้หญิงบ้านใหญ่ๆรถสีห้คันชื่อเสียงตำแหน่งเกียรติยศตำแหน่งนู้นตำแหน่งอยู่ในสภาออาไปเลยอาคอซนาหุมเมื่ออัลลอ์เอาแบบกระทนหัน ฟาอิฮุมมุบัลลิซูลพวกเขาหมดหวังที่จะตอบบาตุ ว, ต ว, Allah. วาตออัลลอฮ์เวลาความตายมาปับอญญายะอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าอยากจะเป็นมุสลิมจังเลย อ, อยากจะอีมาตออัลลอฮ์จังเลยเอาอะไรไปน้องเมื่ออัลลอ์อธิบายผ่านนาบีให้มุมินฟังแบบนี้เราจะหลงดุนยาทาไมอ้ามดูอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ฟีโรอน่ะมีมีอะไรไหม มีทุกอย่างใช่ไหมอานาจก็มีตาแหน่งก็มีเงินก็มีอยู่บ้านกระตอ๊อกหรืออยู่พระราชวางังอยู่วางเลยนะเอามาดูศาสนาบิลานมีอะไรบ้านมีไหมไม่มีน บ, บีปลูกเพลิงให้อยู่บ้านเล็กๆหลังหนึ่งเมียมีเปล่าไม่มีครอบครัวไม่มีรถมีไหมไม่มีแล้วก็มีอะไรใชไหได้ตำแหน่งที่น บ, บีตั้งอัลลอฮฺอัลออัลลอักบร สรุปแล้วชีวิตศาสนาบิลานไปไหนไปสวรรค์บ้านก็ไม่มีมีกระสอบเล็กๆอยู่อันหนึ่งนอะรถก็ไม่มีครอบครัวใหญ่ก็ไม่มีไม่มีอะไรสักอย่างนะึงอะแต่มีอาจารนบีขึ้นมีรถเข้าไปในสวรรค์พอเข้าไปเจอศัสนาบิลาสเดินอยู่ข้างหน้านบีจำรองเท้าขัดขาดนี่ศนาบิลาสเนี่ย พอนบีลงมาจากเมอรอดเรียกบิลานมาถามคุณทําอะไรหรือท่านเห็นคุณนี่เดินอยู่ต่อหน้าฉันในสวนสวรรค์เนี่ยคุณทําอะไรเป็นพิเศษที่อลัลลอฮ์พอใจหรือท่านก็เล่าเองอ่ะทุกครั้งที่ฉันอาบน้ํานำมาใช่ไหมไม่ต้องมีพระราชวังไม่ต้องมีทหารสามหมื่นันคนคอยปกป้องฟาโรห์นะไม่มีด้วยอาบน้าน้มาแล้วก็นมา สองรอกำลอัดหลังจะหลังจ ะ, งจะอาบน้นํานะมาดนาบีว่าอ๋ออัลลอฮฺอักวาดเห็นยังรครับแล้ววันนี้เราเมื่อรู้ ป, ปัญหาอย่างนี้แล้วว่าคนที่จะไปสวรรค์ดูไซนาบิลานเป็นแบบจนด้วยผิวดาด้วยเมียก็ไม่มีลูกก็ไม่มีรถก็ไม่มีแต่ได้ไปสวรรค์เพราะอะไรอ่ะวันนี้เราเมื่อฟังอย่างนี้แล้วหลงอะไรวันนี้วิ่งหาเงินร่วมตาย เงินช่วยได้ไหมล่ะตำแหน่งช่วยได้ไหมเกียรติยศช่วยได้ไหมหน้าที่การงานเต็มไปหมดและลืมอะอยอย่างเดียวเนี่ยพังันไม่พังชีวิตพังหมดเลยนี่เล่าให้ฟังกั น, นอะครับใครไม่เชื่อก็ได้เชิญตามสบายก็แล้วกันนะเอาต่อมาครับอยายะที่เท่าไหร่อายะที่เจ็ดสามวะหุมฟีฮ์มานาฟีอวะมาชาริบ أفلا يشكرون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون นี่คุยเรื่องสัตย์อีกอูดอย่ไมมล่ะหัวแล้วก็อะไรควายแพะแกะเอาห้ารายการนี่พอ เราเล่าหนังสืออัลกุรอานให้นบีฟังให้นบีมาสอนพวกเราวันนี้วาลาฮุมสำหรับพวกเขาฟีฮ่ในตัวของสัตว์นั้นอ่ะมานาฟิยะแปลว่ามีนานาประโยชน์มานานามีประโยชน์หลายอย่างในตัวสัตว์นี่สอนให้เราคิดนะ เราเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงอูดเลี้ยงวัวเลี้ยงควายในตัวสัตว์นั้นมีประโยชน์กับมนุษย์เนี่ยหลายอย่างอะไรบ้างว่ามาชาบและมีเครื่องดื่มอัลลอฮฺให้ยังแล้วก็มีเครื่องดื่มในตัวสัตว์มีเครื่องดื่มนึกออกไหมอะไรบ้างน ม, นมนมวัวนมอูด นมควายนมแพะนมแกะี่สอนให้คิดนะเอานมเนี่ยออกมาจากไหนบ้างในกุอ่านใายะอื่นอธิบายบอกว่าระหว่างอุจจระของมันกับฉี่ของมันนมออกมาระหว่างทั้งสองแล้วใครทำอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่ใช้ปัญญาบางเลยหรือเห็นยังครับในตัวสัตว์น่ฉี่ก็มี มูนสัตว์ก็มีแล้วก็ของที่ออกมาอร่อยที่สุดก็คือน้ำนมอ่ะมามาได้ยังไงอ่ะนี่สอนให้ใชรร้ปัญญาหรือสอนให้งโง่คุณอาณนนี่พาเราลงนรกเหรอนบีอุมาตเนี่ยมาสอนให้เราแตกแยกกันจริงเหรอใช้ปัญญาคณะใหม่จรินหรือนบีเนี่ยทําให้พี่น้องแตกแยกกันอย่าเรียนสุงหน้านบีนะอย่าเรียนคุณอานะเรียนแล้วดี๋ยจะเป็นนู่นเป็นนี้ให้พี่น้องแตกแยกกัน คิดมาอ่ะสุราหนาที่ผ่านมาใช่ไหมนึกคุณเดียวก็ได้คือสองคนใช่ไหมสิ่งที่มุขมัดนําอามาสอเนี่ยทําให้เราแตกแยกกันจริงหรือพาไปนรกจริงหรือคือพาไปไหนก็แน่นั่งคิดคนเดียวหรือไม่ก็นั่งสองคนผ่านมาแล้วใช่มหมหลักข้อานระยะนี้นะเอาคุยกับเมียก็ได้ จริงนะนบีนำเอาเรื่องปัญหาเดือดร้อนมาสู่เราจริงหรือมาแก้ปัญหาเราหรือมาเป็นตัวช่วยเราให้เราอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอ์มากขึ้นก็ขอฝากไว้อาฟลายาชกูรุนปักสุดท้ายนี่ดีมากแล้วพวกเขายังไม่กระตันโยมีความคุณอัลลอฮ์อีกหรืออัลลอ์ให้สัตว์มาห้าหชนิด ยังอื่นไม่ได้เล่าและจะพาก้าห้าหกรายการและเราก็เลียกอยู่ที่บ้านอยู่วันนี้ทุกคนก็เรียนกันอยู่แล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์สุภานะฮูวาตาละใช้ปัญญาขอบคุณอัลลอฮ์อีนอมขอบคุณอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดสุยุดขอบคุณอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดอ่านอัลกุรอานขอบคุณอัลลอฮ์ให้สิเกตถึงอัลลอฮ์ให้บริจาคทรัพย์ที่มีอยู่พขาพูดถึงเรื่องบริจาคทรัพย์ น บ, บีมูซาอะลัยฮิสลามนะถามอัลลอฮ์นบีมูซานะไม่ใช่ในมุฮัมมัดนะนี่หนุมุฮัมมัดเล่าเองน บ, บีเล่าเองบอกว่ า, วาน บ, บีมูซาเนี่ยถามอัลลอลลอฮ์ ah, จะเครื่องหมายของประเทศเครื่องหมายของจังหวัดหรือตำบลใดก็าตามที่อยู่ในโลกนี้อัลลอฮ์ M. ไม่พอใจมีอละลามัตไหนบ้างมีสัญญาณอะไรบ้างเล่าให้ฉันฟังหน่อย แลวก็เล่าให้น บ, บีมูซาฟังอยู่สามเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่หนึ่งผู้ปกครองประเทศนายกแตะกันเบืองนิดนึงนายกบริหารประเทศไม่เป็นแล้วอยากเป็นนายกอยากเป็นใหญ่จังเลยพี่น้องแต่บริหารประเทศเป็นป่าไม่เป็นนั่นแหละ เอาลอโกรธประเทศนั้นบ้านเมืองนั้นจังหวัดนั้นตำบลนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเงินริสกีของฉันนี่นะฉันจะประทานให้กับคนที่ขี้ขี้อะไรขี้เหนียวไม่เอาเงินไปอยู่กับคนที่ชอบบริจาคพันล้านสองพันล้านแสนล้านไปอยู่กับคนที่ขี้เหนียว แล้วคนที่ขี้เหนียวเนี่ยบริจาคไม่หลักอ่าบริจาคหรือไม่บริจาคไม่บริจาคอยู่แล้วขนาดกับพ่อกับแม่มยังไม่ให้เลยอ่ะคนริบบ่ามันจะให้ไหมฉะนั้นเงินริสกีเงินทองเพชรพลอยเนี่ยจะไปอยู่กับคนที่บคัคคีบุคคาดาอีหิมคนที่ขี้เหนียวที่สุด ถ้ารวมกันข้ามถ้ามาอยู่กับคนที่มีอีมานอยู่กับพวกเราเนี่ยโอ้โหไม่ทำไม่ทำบุญวันเป็นแสนเวลานไปเลยนี่อัลล่ให้ไปอยู่กับคนที่ขีเหนียวที่สุดนั่นแหละคือความหายาณะในหมู่บ้านนะัเรื่องที่สามสังเกตนะเร า, าสังเกตต้นไม้ที่อยู่หน้าบ้านเราเนี่ยเวลามันออกออกดอกออกลูกเล็กๆในน้อง น, นี่นะดอกออกเยอะนะอโล่จะให้ ฝนตกพายุมาร่วงหมดเลยนี่แหละเป็นอารมารสามรายการเราต้องนึกอลอนพาะมนุษย์แท้แทเองทำให้ฝนตกผลไม้ที่อยู่บนตน้นไม้ดอกออกเต็มต้นร่วงหมดเลยเหลือลูกสองลูกเอาไปสำนึกตัวยังพอพูดถึ่อย่างนี้โควิดนี่ใช่ไหมล่ะ โ, โควิดนี่ก็ใช่นายพี่น้องรอจัด ให้สำนึกให้ชุกดให้กลัวอัลลอฮ์ให้ทุบทวนตัวเองให้สารภาพผิดกับอัลลอ์ให้ตาบ้าตัวเขาไปน้อยก่เอาต่อมาครับอายาที่สี่สิบเจเจสวัดตะขอูมินดูนิลาฮีอาลีฮะลัลเลหุมยนรุน วัตะขอรูมินดูนิลลอฮฺอาลีฮะละอัลลฮฺมุสอรุนอัลลอฮฺอัลลอฮฺัลลอฮฺอเลลอฮฺอลี่ยนรอยนรื่องคุยลลอฮลีอยนเรื่องเล่าฮฺอัตตอล่อฮฺัลลอฮฺัลลอฮฺอัลลัลลอฮฺัลลอัลลอฮฺอัาลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอฮล มินดูนิ่ละอื่นจากอัลลอ์พวกเขายึดถือขารบสักการะกราบอื่นจากอัลลอฮ์อาลีฮะเป็นพระเจ้าย่อยยอยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อยยๆอื่นจากอัลลอ์พวกนี้กราบหมดเลยเนี่ยเราเล่าให้ฟังเรากับนบีกับพี่น้องนบีทั้งนั้นแหละ อบูนหละครับอบูยานไทตะใครพวกนี้อร่อยจริงจรงพี่น้องแล้วก็โหดร้ายพวกนี้นะไม่เอาอัลลอฮ์อย่างเดียวนี่นะใจโหดหมดเลยอะ่ะด่าคนก็ได้ต่อยก็คนก็ได้เตะก็คนก็ได้ทํางานทําร้ายคนได้ตลอดเวลาเพราะว่าหัวใจของเขาไม่ได้โยงกับอัลลอฮ์นี่นหะโทษของคนที่ไม่โยมกับอัลลอฮ์เนี่ยนะทำให้บ้านเมืองบ้า น, นี้นะ่ะมีปัญหาเยอะสัฆ่าคนแบบง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะเอา้า อย่าไปแตะเยอะนะมุสลิมันถูกฆ่าเยอะนะใครที่พูดขวางหูคนมีอำนาจเองตายไปไปไปลงโทษหมดเลยนึกว่าลงโทษนะฆ่าสังเขาฆ่านะตัวเองปลอดภัยกันนะเดี๋ยวเอาเรามองอยู่นะเอาลราให้มาเลี้ยกบมทึกอยู่นะเดี๋ยวตายแล้วเล่นงานเองอะตอนนี้ปล่อยไปก่อนต่อมาครับว a j h u l m ดูนิล i l ฮ และพวกเขาได้ถือเอาพระเจ้าย่อยๆอื่นๆพระเจ้าย่อยอื่นๆอื่นจากอัลลอฮ์มินดูนิละอื่นจากอัลลอ์เป็นพระเจ้าย่อยๆละอัลลอฮุมยุนซารุนโดยหวังว่าละอัลละหวังว่าเนี่ยนี่หวังแบบมั่นใจเลยนะยุนซารุนพวกเขาจะถูกช่วยเหลือเข้าใจว่า สิ่งที่เขาเคารพ บ, บูชาทั้งหมดเนี่ยจะช่วยเหลือเขาได้เมื่อเวลามีการลงโทษเกิดขึ้นมีอาสาบมามีนุ่นมาทั้งดุนยาและอาคิร้อยเลยเขา้าใจว่าช่วยได้มาถามว่าช่วยได้ไัหมล่ะไอของที่เป็นรูปเนี่ยนะอย่างเจวเวศเนี่ยแน่นอนมันช่วยไม่ได้อันนี้มองของที่ไม่เป็นรูปที่จับต้องไม่ได้เป็นเงิน อ่ามีเงินพันล้าเนี่ยบนดุนยาเนี่ยอาจจะช่วยบ้างเล็กๆในน้อยมีเงินมีตําแหน่งมีชื่อเสียงมีเกียรติยศเขามองว่าสรายการนี่นะช่วยช่วยเขาได้แต่มันก็เห็นได้ด้วยเนี่ยบนดุนยานี่นะให้เห็นนะแต่อาราบที่หนักที่สุดไม่ใช่บนดุนยาใช่หรือไม่ใช่อาราบการลงโทษที่หนักที่สุดมันต้องหลังตายอยู่ในกูโบเห็นยังครับ เงินช่วยได้ไหมในกูโบตำแหน่งช่วยได้ไหมอลลอยกเว้นไหมว่าคนนี้ไปรัฐปรั ฐ, ร, ฐรัฐมนตรีมาเลก้าอย่าไปอย่าไปสอบเยอะนะพอเขาเป็นรัฐมนตรีไม่มีขนาดนาบีก็ถูกสอบเหมือนกันไม่มียกเว้นใครสักคนนึงอ่ะฉะนั้นของที่จะช่วยได้หลังตายอะไรรู้ไหมอีมานอามมัน่นชิสาเลตักวายะีินอิฮซาน แล้วก็อามันนำน้ำมาดจ่ายอากาศทำฮายีติดต่อกับญาติพี่น้องนี่เป็นอามันสุสวร์และสามารถช่วยท่านบนดุญยาก็ได้อาคีรอกก็ได้หลังตายก็ได้ด้วยเอาทีนี้คงอ่านจากภาษาอุรดูนะตอนเช้าๆเนี่ยรหรือว่าโมซีบาความไรนะ ความลำบากเก็บใครโดยป่วยเงินทองน้อยแล้วก็ลูกดือ้อเนียบนบ้างอะไรบ้างก็ตามแต่นี่เป็นเป็นเป็นเป็นิช น, น, น, น, น, น, น, น, นาทั้งหมดนะที่อยู่ในครอบครัวนะมุสลิมบาละนี่จะถามอลัลลอ์ก่อนอลัลลอ์เช้าเนี่ยจะส่งฉันเนี่ยไปอยู่ที่บ้านใครอลัลลอ์ก็บอกว่าไปอยู่บ้านที่เขาเอาฉัน คนที่อิมานต่อฉันนะ่ะคนที่อิมานตอนบีมุฮัมมัดเดี่ยวไอยู่บ้านนั่นแหละมุสีบ้าก็ถามว่าอยากรอเรื่องไม่ดีไม่ดีนะส่งไปอยู่บ้านคนที่มีอีมานทําไมทําไมไม่ส่งไปอยู่บ้านของคนที่ไม่มีอีมานละ่ะอลลอฮ์ตอบให้เลยฉันต้องการสี่อย่างข้อที่หนึ่ง เวลามุสีบ้าไปความเดือดร้อนไปความจนไปหนึ่งฉันจะดูเขาอิมานเขาเพิ่มหรือไม่เพิ่มเห็นไหมอิมานเพิ่มหรือไม่เพิ่มมีมุสีบ้านมาเนี่ยเรื่องที่สองมีความเดือดร้อนมาอยู่ในบ้านเขาเนี่ที่อลัลลอฮ์ส่งมาดัมเชีมาเองด้วยนะสบายหรือเปล่าอดทนป่าถ้าอดทนเป็นไงรางวัล อ ي มานเยอะรางวัลมีไหมมีรางวัลหมดเลยมีอีมานเพิ่มสอบบัตเพิ่มเรื่องที่สามกัฟว่ารอตุลลินุโนูเวลาเขามีอีมานเพิ่มสอบบัตรเพิ่มโทษของเขาที่ทำมาในอดีตลดเห็นยังครับมีความเดือดร้อนมาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเยือนเราถึงบ้านเน้องครับซึ่งใครๆไม่อยากได้นบีก็ถูกใช่หรือไม่ใช่ เอานาบีป่วยกี่วันครบเดือนผมเนี่ยขาห่างน่ะแปเดือนน่ะเดินไม่ได้อ่ะต้องนึกว่าเก็บไข้ได้ป่วยทั้งทีไม่ได้อะไรเลย้ตัวเราอ่ะเด้อปล่อยไปอย่างนี้แหละ mm hmm. นบีพูดนะเก็บไข้ได้ป่วยมีอาสาบมาแล้วไม่ได้อะไรเลยเราไม่ต่างอะไรกับ แ, mm hmm. แพะเห็ไหมพูดแพะเพราะเราเลี้ยงแพะกับทุบ้านอยู่แล้วเอาเรื่องทีหนึ่ง มีมุสีบ้ามาความเดือดร้อนมาต้องการให้อีมานเพิ่มมีมุสีบ้ามาความเดือดร้อนมาเจ็บไข้ได้ป่วยมาเงินทองนอนมาให้ซาบัดเพิ่มสองแล้วนะเรื่องที่สามมีมุสีบ้ามาแล้วก็มีอีมานเพิ่มซาบัดเพิ่มลดโทษเรื่องที่สี่ไปนอนครับ ยัสฟาดรจาต้าูฟิลจันอัลลอฮจะยกเขาอยู่ในตำแหน่งที่สูงส่งในสวนสวรรค์อยู่ในฟิลดาวเลยครับพี่น้ท่าดีหรือไม่ดีพีน้อนี่มุสลิมาความเจอรย์นี่อัลลอฮ์เล่าให้นาบีฟังแล้วก็นาบีก็มาอธิบายให้พวกเราฟังฉันฟังพูดอ่านฟังศาสนาได้ข้อคิดแบบนี้ละฮัมจูรีเลอร์ลใครยากได้ พอเข้าใจศาส น, นาแล้วอัลลอ์เงินทองน้อยไม่มีปัญหามีความเดือดร้อนเข้ามาไม่มีปัญหาฉันแก้ได้อัลฮามดุลิลลาห์ฉันมีรางวาัลตอบแทนจากอัลลอ์เอาต่อมาครับละอัลลาฮูยุนซารูนโดยหวังว่าพวกเขาจะถูกช่วยเหลือก็ช่วยเหลือจริงๆอ่ะพี่น้องครับช่วยไม่ได้เดวยวคนกาเฟสเนี่ยนะ อัลลอฮฺได้แต่ความอะไรความสุขความสุขความสุขความสุขมุมินไ ม, ม 4, ไ่ได้ต้องทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ไอ้ทุกข์มันมีกี่ข้อสี่ข้อไอ้สุขสุขสุขได้ห้าข้ออะไรบ้างหนึ่งออตองอเอพิ่มขึ้นละเมิดขอบเขตเพิ่มขึ้นในคนคาเฟ่นะข้อที่สองอาษฎาเพิ่มขึ้นข้อที่สา ม, าสามความเฉยเมยตัวอิสลามเพิ่มขึ้นข้อที่4อัลลอฮฺรีบให้ความดีบนโลกบุญญาใบนี้ข้อที่ห้า หลังตายแล้ว women, หมดสิทธิ์ไม่ได้แล้วนี่อัลลอฮ์เล่าเรื่องอย่างนีใน้ให UM. ้นบีฟังให้นบีมาสอนพวกเราวันนี้ห้มด็แล้วนี่คือทางออกเอาชีวิตนะครับห้าสิบเจห้านะครับพี่น้องลายยัสตถิยนันัศรหุมลายยัสตติยนันัศรหุม วะหุมละหุมจุนดุมผู้พิรณ์ลายัสตัย่งนนัศระห์ห์วะหุมละหุมจุนดุมผู้พิรณ์อัลลอฮฺอะลัยฮิวร์ร่าฮฺนี่อัลลอฮเล่าให้นบีฟังว่าไปบอกคนมุสริกที่เป็นญาตินบีที่นครมักกานะ ตัวแสบๆมีเยอะเลยสิ่งที่คุณกราบไหว้บูชาอื่นจากอัลลอฮ์คุณเอาเงินคุณวิ่งหาตำแหน่งหาชื่อเสียงหาเกียรติยศอัลลอฮ์ก็มอบให้คุณหมดแล้วเล่าให้ฟังนะทั้งหมดเหล่านี้ลายสติอุลมันไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้เลย ลายสติเยลไม่มีความสามารถนัสราฮุมช่วยเหลือเขาได้เลยเงินเป็นแสนล้านช่วยคุณไม่ได้ตำแหน่งที่มีอยู่ช่วยไม่ได้เกียรติยศชื่อเสียงที่มีอยู่ช่วยไม่ได้สิ่งที่บูคุณกราบช่วยคุณไม่ได้เลยเห็นยังครับอนึกถึงใครนึกถึงลูกนบีนูฮั ที่น บ, บีนัวขึ้นเรือใช่ไหมแล้วก็ลูกน บ, บีนัวอยู่นอกเรือน บ, บีนลูกเอ้ยมาอยู่กับพ่อเร็วเดี๋ยวน้ํามันจะมาใน่คุณอ่านเอาตอนเล่าเลยนะเล่าให้น บ, บีฟังลูกน บ, บีนัวตอบว่าอย่างงี้เดี๋ยวลูกจะไปพึ่งไรพึ่งภูเขาซาอวีอีลาจาบาลินฉันจะพึ่งภูเขา พึ่งวัตถุคนมนุษย์อยู่บนดุนยาเนี่ยมีเงินฉันจะพึ่งเงินฉันฉันจะพึ่งตำแหน่งฉันฉันเป็นสอสอนะ่ยฉันปลอดภัยหมดอ่ะกระพักหนึ่งน้ำตึงตายได้ไม่ตายตายหมดเลยเห็นยังครับในบนดุนยาเล่าให้ฟังอฉะนั้นของที่จะช่วยเราได้ไปน้องครับ อามานุวะอามิลุซอริฮะสองอย่างนี้ช่วยได้ครับพี่น้องบนยุยาก็ช่วยได้ไม่หลงเงินไม่หลงวัตถุไม่หลงกติยศไม่หลงตำแหน่งฉันหลงอหมานเขาหลงอิสลามฉันหลงมัสยิดท่านให้อภัยกับคนที่ด่าฉันเพราะอะไรอ่ะเพราะรักข้าใจอิมานเนี่ยพี่น้องเราด่าเราเหมือนใครเหมือนท่านอับียร์ใช่ไหม สอนศาสนาเอาไปเมืองตออิฟมันก็จะอธิบายง่ายหน่อยถูกกี่เรื่องถูกไล่ถูกดา่าถูกคว้างด้วยหินน บ, บีว่าไง um ah. อัลลอฮุมาฟิลิกาวมีอัลลอจะอภัยโทษให้พวกของฉันด้วยฟะอินนาฮุมลายาและมวนเพราะพวกเขาไม่รู้มันคนที่มีอีมานให้ยังครับภาษาที่ออกมาจากปากนี่โอ้โหอัร ละนบีทุกคนนบีอิบราฮิมอ้าวนาบีอิบราฮิมถูกโยนใส่ไฟใช่ไหมเป็นบาปของอัลลอฮ์เป็นนบีของอัลลอฮ์ถูกโยนใส่ไฟแล้วก็พูดขอดว่านี่เป็นอาวุธนะแบบใครอะบิลันอาวุธคืออาบน้ำน้ำมาดนะตอนโยนใส่ไฟดูอาบนหยหรู้ไหมฮัสบุนอัลลอฮฺ อัลล์องเดียวพอแล้วสำหรับฉันฮบุนอัลลอฮวันนอ้มลกนฉันเนี่ยมอบหมายตนต่ออัลลอ์การมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์เป็นเนือธรรดเป็นความโปรดปานอันยิ่งใหญ่ที่สุดสำเร็จไฟไหม้ปะไม่ไหมเห็นยังครับนิโกรณีตัวอย่างฉะนั้นคนที่ฉลาด อ, าอูลุลอัลบาบอธิบายยังไงคนที่คิดถึงประวัติของบรรดานลบี เราเอาปวงวของ น, บบนาบานาเบียมาใช้มชาใช้ปัญญามาคิดนบีอยู่แต่ละคนแต่ละคนเขาลําบากหมดเลยนะแต่ก็ปลอดภัยมาปลอดภัยบนดุนยลย์เนีอาขี้เราเราคนที่หลงเงินก็ยังมีไม่ละเอาฟาโรผ่านไหมกอรูณผ่านหรือไม่ผ่านพามานผ่านหรือไม่ผ่านไม่ผ่านกอรุณแต่พามานเนี่ย ใครจะเปรียบก็เหมือนสมมติเเป็นอะไรอ่ะขุนคลังอ่ะให้กับฟาโร่อ่ะฟาโรมีอำนาจมีทหารแล้วก็มีนี่นทุนนทุนใหญ่อ่ะดูแลพวกพ่าผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านเลยอ่ะคนที่จะผ่านก็คืออามานุว่าอ้ามีลุศอเลแล้วก็มีนามาดมีใจจักกาศมีเชิญชวนคนให้รู้จักอัลลอฮ อันนี้ต่างหากที่เป็ปกป้องอันตรายทั้งหมดหลังจากตายไปแล้วลยสตอนนสรวฮุมพวกมันจะไม่สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้แต่ตรงกันข้ามว่ฮุมลาฮุมยุนดุมดรุนยุนดุนนี่แปลว่าเป็นเป็นหมูมูเป็นพวกพวกยุนดุน ศัพท์เดิมไม่ว่าทหารแต่ว่าเป็นหมู่หมูเป็นพวกพวกมัวหดรูนถูกนำมาอยู่ต่อหน้านี่พูดถึงเรื่องชีวิตหลังจากตายแล้วฟื้นขึ้นมานะฉะนั้นสิ่งที่คุณเคารพบูชาสิ่งที่คุณคิดว่าช่วยได้ชื่อเสียงตำแหน่งเงินพวกเยอะๆบนดุนยาเนี่ยช่วยคุณได้เล็กๆน้อยๆแค่โลกเดียวนะแต่พอตายไปแล้วนะ ลายสตาติเอานาสราหุมพวกมันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพวกคุณได้เลยแต่ตรงกันข้ามวะหุมลาหุมยุนดุมมัวร์บรูนพวกมันจะถูกนำมาอยู่ต่อหน้าเป็นหมู่หมู่ให้การข้านคุณตลอดทุกรายการเลยเงินจะมาค้านคุณตำแหน่งจะมาข้านคุณทีนุณบูชาจะเวทข้านคุณหมดเลยนะในวันกียมา เมื่อถูกมายืนอยู่ตัวหน้าอัลลอ์สุบฮา น, นาหูตะนี่อัลลอฮ์เล่าเรื่องจริงๆให้ฟังผ่านนาบีมุฮัมมัดให้นบี ม, มาสอนพวกเราวันนี้อัลลอฮ์ของจะช่วยได้ในคุรานอายะห์อื่นมีอะไับว่ามันนัสูอิลลามินอินดิลล์ของที่จะช่วยได้เนี่ยไม่มีอะไรอิลล่าไม่มีอะไรนะอิมามชาฟิกบอกว่าคำว่าอิลล่าแล้วต่อไปจะเรื่องดีหมดเลยนะ มินอินดิลอยู่ที่อัลลอฮ์หมดเลยฉันคนที่มีอัลลอฮ์ก่อนตายมี إ ي م านก่อนตายมีตักวาก่อนตายมียตีนก่อนตายเอาสุนัขนบีมากํากับชีวิตก่อนตายเขาอยู่กับอัลลอฮ์ช่วยได้อยู่เอาชีวิตฟารโรห์มาใชา้ทังพินาศหมดเลยเอาชีวิตกอรุนมาใชา้พังหมดเลยเอาฮามามาใชา้พังหมดเลย อเมริกามาช่วยพังนะตอนนี้หมดแล้วจีนจะขึ้นแล้วใช่ไหมติการเมืองก็แตกเล็กน้อยอีกเจออานสรุลลอฮิวัลฟัตทีความสำเร็จเมื่อความช่วยเหลือของอัลลอ์มาได้ยึดนครมักกะเนี่งานใหญ่่องานเล็กใหญ่มากครับพี่น้องน บ, บีมีสาภาพกี่คนแล้วก็คนอาหรับมุชลิมน่มีเป็นแสน่ะ แต่น บ, บีมายึดนครมาการ่าใครช่วยครับอัลลอฮฺบอกกาบีอัลลอฮ์ช่วยกาบานะพวกร้ายนะพวกรีเบนจะมาต้องการที่จะมาทาลายนะเอากองทัพช้างมาสำเร็จไหมล่ะอัลลอฮ์ฟาอัลสาลาไลฮิมตอยรอนดาบะบินส่งนกมาคาบหินมาโปรยตายหมดเลยอะ่ะเห็นยังมา ท, ที่ที่แล้วเนี่ยอัลลอฮ์พูดนีบบกุลอาห์ตัไงนะ คุณไม่เคยใช้ปัญญาบังหรืออวัลลามยาเราอันนาจะอันนาขารามันอาเมนันอาทิตย์ที่แล้วนะนะคำคำคำอธิบายนะสุระอังเกบุตรอายาที่67พวกคุณไม่เคยใช้ปัญญาบังหรือไม่เคยคิดอันนาจะอันนาขารามันอาเมนันเราได้ทำให้เขตห่วงห้ามที่มักกาเนี่ยเป็นเขตห่วงห้าม ไม่มีใครมาทำอันตรายใดๆตั้งสิงเห็นยังเนี่ยฉันปกป้องยังไงอ่ะวายาตะคอบตอฟุนนาสุมินฮาลิหิมแต่รอบๆงานอ่ะอิรักอิรานซีเรียอะไรก็ตามแต่มีปัญหาหมดเลยอ่ะชายัญายาดูถูกจับบ้างถูกฆ่าบ้างสารพัด ระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดจากอเมริกาจากรัสเซียมันถล่มเนี่ยพวกอัดุลสตานี่ใกล้ๆใกล้ๆ ก, ก, ก, กับมก้าเนี่ยแต่ในตัวมักกะเองเน่ะอามีนันฮารอมันสงบใครทำมั่นใจในอัลลอ์มั่นใจใน อ, อัลลอฮ์พันเปอร์เซ็นอลลอ์คุ้มครองครับถึงยมันจะวางแผนกเชิญวางแผนไปเถอะ เป็นก็ได้แค่วางแผนและการวางแผนอเลาะก็เอาแผนซ่อนแผนอีกทีนึ่งวะมะการูวะมะการลอวะลอหุคอยรุลมาคีรินอัตมาไอสุดท้ายอีกไอ้สุดวะยะฮซุนก์ก์กูรุฮุมอินนานั่งเลมมายืซึร์นวะมายือล่นน فلا يحزم كقولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون الحمد لله Allah نيلعون ให้นบีฟังคนที่แอนตีอิสลามน่ะมีจนกว่าจนถึงวันติยามะนายเพชรอะไรอะไรทองทองอ่ะ ในไอเพชรทองอขาตั้งกลุ่มขึ้นมาโคน่นการทำลายอิสลามอยู่ะ ท, ที่มัสยิดอะไรที่จังหวัดที่ต่างจังหวัดก็ข้านไม่ให้สั่งแล้วก็ตามแต่ก็วางแผนกันอยู่นะเชิญตามสบายเลยและอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่คนวางแผนทำลายมากที่สุดและคนหัวหน้าวางแผ น, นยิววดีนะเ น, นี่ยฟังกูนะ ฟะเลยะจุมกะกาลุหุมเพราะฉะนั้นยาลบบอกคำนบีนะจงอย่าให้คํากล่าวของพวกเขาคําพูดของพวกเขาที่ปฏิเสธอิสลามที่แอนตี้อิสลามที่ด่ามุสลิมที่ด่าพุทธศาสน์ตอเลาะอย่าให้คําพูดของพวกเขานั้นระทมเจ้าทํำให้ท่านนาบีเสียใจยอยัดนบีไม่ต้องไปเสียใจย นี่เตือนนบีนะและเตือนคนอ่านคนอ่านว่าเนี่ยมุสลิมถูกรังแกตลอดใช่หรือไม่ใช่อย่าไปเสียใจเราหน้าที่ยึดอัลลอฮ์เหมือนเดิมนำมาตะฮัดหยุดเหมือนเดิมอ่านกุณอ่านเหมือนเดิมซิกรุลลอมเหมือนเดิมทำดีกับพ่อแม่เหมือนเดิมมีเงินบริจาคเหมือนเดิมไม่ต้องไปแคร์ฉันดูแลเองเยังครับฟลายาซุมกัเกาลูม เขาจะพูดเฮสปีดแค่ไหนก็เชิญไปเถอะอิสลามเป็นผู้ก่อการร้ายมุสลิมเป็นผู้ก่อการให้เขาพูดไปเวลายาดรุม่มเก่ารุ่มคําพูดของพวกเขาอย่าทําให้ท่านนาบีต้องเสียใจก็สอนเราวันนี้ใครจะดา่าอิสลามดา่าคำพูดของพวกเขาเฮสปีดของพวกเขาอย่าทําให้คนมุมินต้องเสียใจอินานาณัลัม แท้จริงเรานี่นะรู้มาอยู่สิรูนที่พวกเขาปิดบังไปในหัวใจของเขาฉันรู้หมดสบายใจยังอัอลลอฮ์รู้หมดและมีมัเลิกาอยู่สององค์จะมา่จะซ้ายขวาบันทึกหมดข้างหน้าข้างหลังคุ้มครองให้มีอันตรายด้วยให้มันเมากั้ให้อิมให้มันด่ากันให้เพลิน ให้หาความสุขกับผู้หญิงโดยไม่ผ่านการแต่งงานเต็มที่ไปเลยให้อยู่บ้านใหญ่ๆไปเลยเชิญตามสบายสัตว์ห้าชนิดกิ น, นเต็มที่ไปเลยฉันให้เฉพาะบนโลกดุจดานไปนี้ว่วามายยอาลีนูนและเราก็รู้อีกสิ่งที่เขาเปิดเผย สิ่งที่เขาปิดบังอลัลลอฮ์ก็รู้สิ่งที่เขาเปิดเผยอัอลลอฮ์ก็รู้แล้วก็จะแชรทั้งหมดตอนไหนในวันเตียมาอัลลอห์อัอลออลอฮ์แชรหมดเลยเลยเนี่ยตายจริงทุกทุกแอคติ้งคยกมือก็แช ย, ยกมือนีอ่อกลารจะเอาเหินควางน บ, บีใช่ไแชรหมดเลยอาวบักสุดท้ายอาวะดำยรอนอินซน أن خلقنا من نطفة، فإذا هو خصيم مبين. أ َ و ل َ م ي َ ر ا ل إ ِ ن َ أ َ و ا ل َ م أ َ و َ ل َ م ي َ ر َ ل إِنْسًا؟ أن خلقنا من نطفة. ไปจาหัวขอสิมุมมุบินเอเปลี่ยนเรื่องคุยอาวาลมยารอย่รอไปว่าเห็นหรือว่าคิดมนุษย์ไม่คิดดูบ้างหรืออาวาลมย่ารออินทรามนุษย์ไม่เคยคิดบ้างหรือไม่เคยมองบ้างหรือไม่เคยพิจารณาบ้างหรือ อันนาขอลักนาแท้จริงเราได้สร้างมนุษย์นี่มาจากอะไรมินุตฟาจากน้ำอสุจิเห็นยังคิดบ้างหรือเปลานอนคิดบ้างก็ได้อัลลอฮฺอลัอลลอฮสร้างฉันมาจากน้ำอสุจิบางคนน้ำอสุจิไปไปอยู่ในมดลูกของผู้หญิงไม่ผ่านการแต่งงาน ลูกไม่มีพ่อใช่ไหมทํายังไงวะกับแต่งงานถูกต้องมีรางวาัลไหมรออักบัตจมหัดก็มีรางวาัลดูแลภรรยามีรางวาัลหาความสุขมีรางวัลหมดเลยถ้าแต่งงานถูกต้องอันนาคาราปนานะมินุตฟะแท้จริงเราได้บังเกิดมนุษย์เนี่ยมาจากไรมาจากเชื้ออาสุจิ ฟาอิลาหัวคอซีมุลโ ม, มบีฟาอลาแปลว่าแล้วจงดูเถิดหัว่าเขาแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนนะคอซีมุนเป็นคนที่เถียงเ ถ, ถียงนะเถียงจะเอาชนะอะโมบีชัดแจ้งดูตัวยงหรือตัวกลัน่นเถียงมนุษย์เนี่ยมาเจรณาสุจิ แต่ว่านิสัยสันดาลชอบเถียงเถียงครเถียงนีัอลอ์นาอัลล์มาสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินอัลลอ์มีเมียอัลลอ์มีลูกอัลลอ์เหงาภาษาอะไรนางมาริยามเป็นเมียอัลลอฮ์นะบีอิซาเป็นลูกแล้วพูดได้ยังไงอ่ะ่เรเถียงอัลลอ์แล้วก็ด่าอัลลอฮ์เองอ่ ลมแรงๆกอดาอากาศรอ้อนกววนนอาดาเร้ารรรรรรรดรรรรรรรรรรรรรรรารรรรีรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรยรรรนี้รรรรรรรนี้รรรรรนรรรรรรรรรนรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรเรเรรรงรรรรรืรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรารรรรรรรรอรรรรรรรรรรรรรรรรรร่รออรรรรเรารรรรรรรรรรรรรรรรร ก่อนจะจบสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยอินบีสอนเองเลยนะเมื่อรู้ว่าภรรยาไม่พอใจให้ทำไงให้นิ่งเฉยเฉยนบีทำเป็นแบบเอาไว้เอาใครทำได้ถ้าจะเชื่อนบีต้องทำตามนบีสิท่านเน่ยนั่งนิ่งนิ่งน่ปัญหามีไหมละ่ะก็จบมาถ้าขึ้นเสียงด้วยตบกันน่ะละตบละใครแพ้และผู้หญิงจะแพ้หมดเลยละบีเลยสั่งผู้ชายทั้งหลาย อยู่กับภรรยาสามีในครอบครัวถ้ารู้ว่าภรรยาไม่พอใจให้สามีนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆสุกูดซาจิตจิตว่าคิด u i า t ซาอุ ด, ดูกับคอมูชนั่ ง, งเงียบๆปัญหาไม่มีเลยนี่การที่เรามีอิสลามมีอีมานสบายใจมั้ ครับหมดเวลาปีศาบอัลลอฮุมะวบิฮามดกวลอิอิลอันตะอัสตลตุบลอิัฟรนีอวัยอทิตนาอธิบายนะคือว่าดันดันทุรันเถียมทอเป็นเองนะมันมีมันมีอัลบาบุลมูซูนอยู่นะ